เรียนธรรมะนะไม่ยากเรียนลงในกายในใจของเราเนี่ยภาวนาไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสองบอะไรหรอกภาวนาให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจเป็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์ร่างกายจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มด้วยทุกข์ถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ บังคับไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาถ้าเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยนแะจมจะเบื่อจะรู้สึกว่าไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยทันะ้งรูปธรรมนามธรรมากายใจนี้เห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆวางความยึดถือพอเราไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมานะซึ่งมันเรารู้สึกมาตลอดว่ามันคือตัวเรา เมื่อไม่ยึดถือแล้วเนี่ยใจวางไปเราไม่มีภาระจะรูปประธรรมนามาทำนี้ไม่เป็นภาระกดท่วงจิตใจของเราให้มีปัญหาวุ่นวายให้ความพ้นทุกข์ก็ เ, เกิดขึ้นให้ใจเราเป็นอิสระกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรายังไม่ยึดนะแล้วของอื่นจะไปยึดทําไมมันไม่ยึดเองเนี่เรายึดของอื่นได้ก็เพราะ ต่อเนื่องไปจากการยึดในกายในใจของเรานี่อย่างเรายึดกายนะมีร่างกายแล้วก็มีต้องมีบ้านอยู่มีรถนั่งนะต้องมีครอบครัวมีน้นมีนี่เยอะแยะนะเรายึดจิตใจเราก็เที่ยววิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆนะอยากให้ใจมีความสุขนี่ถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะของต่อเนื่องมันก็ไม่ยึดไปด้วย แก้ปัญหาที่ต้นต่อเนะี่ยเราค่อยฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันวางไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วก็ไม่ทุกข์สังเกตดูความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่นะมาจากความยึดถือนะมีเรา่อนมีเราแล้วก็มีของเราล้วนแต่ของแปรปรวนทั้งนั้นเลยมันไม่มีของเที่ยง ล้วนแต่ของเป็นทุกข์นะมันไม่มีของสุขนะล้วนแต่ของบังคับไม่ได้จริงมันไม่ใช่ตัวเราจริงจริงนเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะหลายคนเข้าใจผิดภาวนาหวังจะให้ดีให้สุขให้สงบหวังอย่างนี้อยากดีมีดีขึ้นมาแล้วก็อยากให้ดีถาวรสุขขึ้นมาแล้วก็อยากให้สุขถาวรจิตใจสงบแล้วก็อยากสงบถาวร ความดีความสุขความสงบไม่ถาวรหรอกของในโลกไม่มีของถาวรมีแต่ของชั่วคราวเราไปอยากได้ของไม่มีของที่มันไม่มีจริงมันไม่สมหวังอยากสุขตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อยากไม่ทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้อยากสงบตลอดเลยไม่มีฟุ้งซ่านเลยโดยใจโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ ต้องฝึกแต่ถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะเ จ, เจอของเที่ยงแต่ของที่เที่ยงนะั้นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจของเรานะของเที่ยงมีอันเดียวคือนิพพานนะนอกจากนิพพานไม่เห็นมีอะไรเที่ยงเลยกระทั่งมรรคผลยังไม่เที่ยงเลยนะมรรคผลกับ น, นิพพานกคตรอันกันเวลามรรคเกิดก็เกิดขณะจิตเดียวแล้วก็ดับนะไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาผลเกิดนะเกิดสองขณะสามขณะ ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็หายไปมีแต่อย่างเดียวยนิพพานเที่ยงเะฉนั้นเราพอนาถึงจุดถึงที่วางความยึดถือในกายในใจในรูปในนามได้เราจะไปเจอนิพพานนี่ก่อนจะมาเจอนิพพานนะต้องปล่อยวางรูปนามได้หลุดออกจากรูปนามใจวางไปแต่ก่อนจะเจอรูปนามได้ต้องหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของสมมติบัญญัติให้ได้ก่อนมันเป็นชั้นชั้นนะ สมมติบัญญัตินะความคิดเรื่องราวที่คิดเราปรุงขึ้นมานะปิดบังทำให้เราไม่เห็นรูปนามรูปนามนั้นแหละก็ปิดบังไม่ให้เราเห็นนิพพานเป็นชั้นๆนนะต้องค่อยๆลอกเปลือกตัวเองไปเป็นลำดับลาดับไปวิธีที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดนะรู้ทันเอาใช้การรู้ทันเอานะจิตลงไปคิดแล้วรู้จิตลงไปคิดแล้วรู้ จิตจะรู้ดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวสามารถรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามได้นะตอนนี้ที่พวกเราฝึกเนี่ยฝึกมาได้ตรงนี้เยอะแยะเลยนับไม่ท้วน น, ะนับไม่ถูก ก, กี่หมื่นคนแล้วก็ไม่รู้นะว่าทําสถิติไม่ได้คนเรียนอยากหลวงพ่อนี่เรียนทางไกลเยอะให้ายๆมศธนะแต่เราหลังมศธมศธมเปิดมาก่อน เรียนทางไกลเรียนด้วยซีดีด้วยหนังสือคนอยู่ต่างประเทศอยู่เลยนะฟังซีดีจิตตื่นขึ้นมานี่เยอะแยะเลยนะพอนาเป็นขึ้นมาเยอะแยะนับไม่ถูกเลยที่จิตตื่นขึ้นมาก็คือจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะตรงนี้มีเยอะเลยยังจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราถือว่าเรามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะหม มันมีเปลือกพุ่มเป็นชั้นๆเนี่ยอันแรกคือสมมติบัญญัติมันปิดบังรูปนามปิดบังอารมณ์รูปนามไมไม่เห็นกายไม่เห็นใจตัวเองตอนนี้เราเห็นกายเห็นใจตัวเองได้แล้วทำยังไงจะเพิกจะถอนเอากายเอาใจออกไปได้แล้วไปเห็นนิพพานเหลืออีกครึ่งเดียวเท่านั้นพอสู้ไหมก่อนจะวางความยึดถือในรูปในนามได้นะต้องเห็นความจริงก่อน ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเรานะพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่ารูปนามไม่ใช่เราพระอรห uh ันต์ถึงจะวางรูปนามไดนะ้งั้นก่อนจะเป็นพระอรห uh ันต์ก่อนจะวางรูปนามแล้วก็อยู่กับนิพพานได้เท่าไหร่ก็ได้กนะนะ็ต้องมาให้เห็นความจริงแบบพระโสดาบันกันให้เห็นก่อนว่ารูปนามไม่ใช่เรานะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มนะีไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนนะี้ ถ้ามีอเราจะเห็นอันแรกต้องเห็นรูปนามด้วยการหลุดออกจากโลกของความคิดถัดจากนั้นต้องเห็นความจริงของรูปนามว่าไม่ใช่ตัวเรานะวิธีดูให้เห็นรูปนามว่าไม่ใช่ตัวเรานะมีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวคยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกนะคยรู้สึกไว เรารู้สึกเนืองๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งคือมีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เครื่องมือที่ใช้รู้เรียกว่าสติตัวที่สองคือสมาธิสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระลึกรู้รูป ร, ร, รู้นามรู้กายรู้ใจถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษ ที่มันปล่อยวางรูปนามได้เพราะเห็นไตรักษณนะที่หลวงพ่อบอกตะกี้ก็ เ, เห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วมันน่าเบื่อหน่ายน่าเอื่มระอาจิตก็วางวางรูปนามก็ไปเห็นนิพพานแต่เราจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้นี่อาศัยเงื่อนไขสองตัวก็วที่หนึ่งสติสติเป็นตัวคอยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจ เครื่องมือตัวที่สองคือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระลึกรู้อารมณ์จิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะงั้นเราต้องฝึกพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาเครื่องมือสองตัวนี้อยู่อยู่ไม่เกิดหรอกต้องฝึกนะวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึก สภาวะในกายในใจเป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกได้อยู่แล้วตามธรรมชาติเพียงแต่พวกเราละเลยที่จะรู้สึกอย่างร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายเจ็บปวดรู้สึกได้แต่ไม่ยอมรู้สึกวันวันหนึ่งสนใจแต่เรื่องอื่นน้่เราคอยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแลนะคอยรู้อยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจไม่ยากเลยการรู้สภาวะในกายในใจตัวเองเด็กๆก็รู้สึกได้ เราก็รู้สึกได้แต่เราละเลยเพราะเราสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเราเองนะสังเกตไหมเราสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าตัวเราเองไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเนี่ยดูเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยมีเรื่องของเรามีไหมเรื่องของเราลงหนังสือพิมพ์ <laughs> ไม่มีนะอย่างมากก็ ถ, ถูกรดทับอะไรเงี้ยนะ <laughs> ถ้าเราสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องภายนอกนะเราก็เลยละเลย นั้นปัญหาหลักนะที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็คือความละเลยนี่เองไม่สนใจที่จะรู้รักตัวเองที่สุดแต่ไม่สนใจตัวเองน่าสงสารเหลือเกินะรักมากแต่ไม่สนใจเนะมื่อจะสนใจของข้างนอกงั้นต่อไปนี้นะเราค่อยๆฝึกอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไป โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สึกไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในกายนะมันจะรู้ขึ้นได้เองเรียกว่าสติมันเกิดได้เองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจความทุกข์เกิดขึ้นในใจความฟุ้งซ่านความหดหู่นะโรคโกรธหลงหรือจิตใจที่มีศรัทธามีความเพียรมีสตินะมีปัญญาอะไรเียสิ่งไดเกิดขึ้นนะเราคอยรู้ด้วยดรู้บ่อย ในที่สุดมันเคยชินที่จะรู้มันจะรู้เองสติจะเกิดขึ้นเองเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้จิตมีสติก็ไม่ได้เพราะจิตก็เป็นอนัตตาเราสั่งอะไรไม่ได้แต่เราฝึกได้ทำเหตุมันเหตุที่ทำให้เกิดสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสภาวะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่เองหัดรู้สึกบ่อยๆหัดรู้สึกบ่อยๆนะ อะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกร่างกายปวดร่างกายเมื่อนะร่างกายร้อนร่างกายหนาวนะร่างกายกระหายน้ําร่างกายหิวข้าวร่างกายปวดท้องนะอยากขับถ่ายค่อยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆ ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายมันจะรู้ได้เองเพราะมันเคยชินที่จะรู้สึกนะพัฒนาความเคยชินที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาตลอดเวลาตลอดชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาความเคยชินที่จะลืมตัวเองเราสนใจแต่ของข้างนอกนะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องตัวเราเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะเกิดมาพ่อแม่ก็สอนสอนนี่พ่อนะนี่แม่นะอะไรเนี่ยไม่มีสอนนะว่ารู้รูปรู้นามไว้นะ ม, มีบ้านไหนสอนลูก อารูกลืมตาขึ้นมาเห็นไหมร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูมีไหมสอนเนี่ยไม่เคยได้ยินนะไม่มีหรอกมีแต่โน่นนี่ปูนี่ย่านี่ตานี่ยายนะไอ้นี่ของของหนูนะเก็บไว้ให้ดีนะกินเล่นแล้วก็อย่าไปทิ้งนะเล่นแล้วต้องเก็บนะสอนอย่างนี้นะสอนพอเข้าโรงเรียนก็เรียนเรื่องอื่นที่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองเลยนะ เรียนคณิตศาสตร์เรียนอะไรตอนน่ออะไรเยอะแยะไปหมดภาษาเรียนอะไรตอนน่อเรียนเรื่องที่ไม่ใช่รู้รูปรูปรปรป้นามน่ะเพราะั้นเราเคยชินที่จะรู้ออกนอกตลอดเลยเรามาสร้างความเคยชินใหม่นะคอยรู้สึกอยู่ในตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกต่อไปมันจะเคยชินที่จะรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกได้เองของหลวงพ่อเคยนะเคยไปหาหลวงพ่อเทียนเห็นหลวงพ่อเทียนสอนลูกศิษย์ท่านสอนขยับมือ ดูๆนะโอ้หลวงพ่อเทียนจิตท่านดีนะจิตท่านรู้ท่านตื่นท่านเบิกบานรู้ตัวอยู่ลูกศิษย์ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างตามธรรมชาตินะดูกลับมาบ้านมาลองหัดอย่างท่านบ้างนะลองมาขยับแต่เดิมดูจิตอย่างเดียวไม่ได้ขยับกายอะไรเงี้ยมาขยับร่างกายดูอย่างหลวงพ่อเทียนบ้างนะทั้งหมด14จังหวะนะสองข้างเนี่ยจังหวะขยับอยู่สองสมวันนะมีวันหนึ่ง เดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนี่เพื่อนมันเดินอยู่ฝั่งน้อนไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจอยากไปคุยกับมันนะก้าวขานะก้าวขาขยับตัวเนี่ยเพื่อจะข้ามถนนไปคุยกับมันตั้งขาเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยขยับมือแล้วเคยรู้สึกตัวขยับแล้วก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่มาโดยไม่ได้เจตนาขยับขาทีเดียวไม่ใช่ต้องขยับแต่มือนะ ขยับขาทีเดียวท่านะรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้เลยนะงั้นเราฝึกนะฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวดูร่างกายก็ได้ดูจิตใจก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนดูกายแล้วจิตตื่นบางคนดูจิตแล้วจิตตื่นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปที่ดีพร้อมสำหรับคนทุกคนนะงั้นถ้าคนมาถามว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไร อย่าตอบง่ายๆมักง่ายนะบอกสอนดูจิตอันนี้หลวงพ่อถือว่าตอบแบบมักง่ายหลวงพ่อสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้ต่งงงนะางๆเนี่ยสอนหลักว่าเราต้องรู้สึกตัวนะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดรู้สึกตัวจะรู้สึกตัวได้เนี่ยต้องหัดดูสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกใครถนัดรู้กายก็รู้กายไปเป็นหลักใครถนัดรู้จิตใจก็รู้จิตใจเป็นหลักแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทางใครทางมันไม่มีอันไหนดีอันไหนเรวกว่ากรอกมนแล้วแต่ว่าเราเคยชินยังไงนะเคยฝึกกันยังไงเอาของที่เราถนัดนั่นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นส่วนตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อดูจิตมานะตอนเด็กทำอนาปนาสติแล้วต่อมามาเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตเอาฉะนั้นชินที่จะดูจิตมากกว่าดูกายเคยดูกายเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูดูร่างกายแนละ้วดูนาทีเดียวร่างกายก็ระเบิดไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดู เลยรู้เลยว่าวัตถุเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแยกออกไปเรื่อยแยกแยกแยกออกไปเรื่อยแยกธาตุมันไปเรื่อยจะกลายเป็นแสงกลายเป็นคลื่นเป็นคลื่นเท่านั้นคลื่นคลื่นไม่มีตัวตนฐาวานเลยเั้นไม่ถนัดดูกายนะดูแป๊บเดียวมันหายไปหมดละพอลงปู ด, ดูลสอนให้ดูจิตเลยสนุกมีให้ดูทั้งวันเลยจิตดีจิตเร็วจิตสุขจิตทุกนะมีแต่ความหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงดูทุกวนันทุกวันสนุกนะ ใจมันชอบดูจิตหลวงพ่อก็เลยดูจิตแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตเหมือนหลวงพ่อนะใครถนัดรู้กายถ้ารู้กายแล้วสติเกิดเราก็รู้กายถ้าคนไหนดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยๆ ก, ก็ดูจิตเอาเป็นหลักนะแต่ดูจิตก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้กายดูกายก็ไม่ใช่ไม่รู้จิตนะมันเนื่องกันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเหรียญอันเดียวกันมีหัวมีก้อยหยิบขึ้นมาอหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ติดมือขึ้นมาด้วยไม่ใช่หยิบแต่ด้านหัวมาด้านก้อยอยู่ที่พื้นไม่ใช่ งั้นเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะสภาวะทางร่างกายร่างกายยืนรู้สึกร่างกายเดินรู้สึกร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายนอนคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งมันไม่ใช่เพ่งอย่างนี้นะรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้แข็งไปให้เป็นธรรมชาติธรรมดานะเนี่ยหัวเราะเห็นไหมคนที่มีเคลาเยอะๆหัวเราหัวเราะเห็นร่างกายมันหัวเราะใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนดูนะเนี่ฝึกอย่างนี้ง่ายๆไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรเลย มาดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหูก็รู้นะดีใจเสียใจก็รู้จิตใจวิ่งไปดูนะก็รู้จิตวิ่งไปดูแล้วจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยดูจิตดูใจดูสองงานอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจอันที่สองดูกิริยาอาการของจิตใจ ความรู้สึกเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นในใจกิริยาอาการเช่นเราเห็นว่ามันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูนะวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้วิ่งไปดูวิ่งไปฟังจริงจริงความรู้สึกว่าวิ่งไปดูวิ่งไปฟังเป็นความรู้สึกหลอกๆจริงจริงไม่ได้วิ่งหรอกจริงจริงจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับแต่ว่ามันเกิดต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันเคลื่อนที่ได้จริงๆมันไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกนะมันเป็นจิตคนละดวงกัน จิต ท, ที่ดูก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่คิดก็ดวงหนึ่งโค้ลานกันนะถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นมันเกิดดับนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่ไม่ใช่ดวงเดียวกันนะถ้ายังเห็นว่ามีดวงเดียวกันอยู่นะเรียกว่าสันตติยังไม่ขาดแต่เบื้องต้นก็เห็นมันมีอันเดียวก่อนไม่เป็นไรต่อไปค่อยฝึกค่อยฝึกไป้เห็นว่าจิตมันเกิดดับเกิดที่ตาแล้วดบับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับเกิดที่ตาแล้วดับลงไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้น มาเกิดที่ใจนีเกิดที่ใจนะแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆมาขันนะ้นแล้วเกิดที่ใจอีกเกิดที่ใจหลายๆทีแล้วค่อยไปเกิดที่อื่นต่อนะมันจะมีช่องว่างมาขัน้นเราจะเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ดวงเดียวกันหรอกนะีที่เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเป็นภาพดวงตาท่านนึงแต่ว่าเบื้องต้นเห็นอย่างนั้นก่อนก็ดีแล้วลองทดสอบนะลองดูพระพุทธรูปดูสิดูองค์เล็กองค์เล็กเนี่ยสมเด็จยานท่านหลอ่อขึ้นมา ฟันขึ้นมาจากนิมิตนะนิมิตว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยท่านหน้าตาแบบนี้สังเกตไม้มขณะที่เราดูใจเราวิ่งไปจ่ออยู่ที่เรื่องที่เราดูขณะที่ฟังนะใจก็วิ่งไปจ่ออยู่ที่การฟังเสร็จแล้วใจก็ไปคิดใจไปจดจ่ออยู่กับความคิดนะเพราะั้นเราเวลาดูจิตนะดู2 ง, งานอันหนึ่งดูความรู้สึกอันหนึ่งดูกิริยาอาการของใจดูพฤติกรรมของมัน นะพฤติกรรมที่มันวิ่งเข้าไปตะครุบอารมณ์ต่างๆรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆนะนะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้พอความโลภเกิดสติเกิดเองเลยรู้ว่าจิตโลภแล้วพอความโกรธเกิดสติระลึกขึ้นได้เองว่าโกรธแล้วนะพอฟุ้งซ่านเกิดก็สติเกิดเองว่าฟุ้งซ่านแล้วนะเกิดได้เองพอจิตวิ่งไปจิตหลงไปก็รู้ขึ้นมาเลยว่าหลงไปแล้วนะนี่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะอย่างนี้จะทําให้เรามีสติ อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้สึกขึ้นได้เองโดยไม่ต้องจงใจอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องจงใจนะไม่ต้องจงใจมันเกิดเองเพราะว่าจิตใจชำนานที่จะรู้สึกตัวส่วนตอนนี้ยังไม่ชำนาญต้องฝึกนะมันชำนาญที่จะลืมตัวเองตอนนี้ค่อยๆฝึกไปต่อไปชานานที่จะรู้สึกตัวเวลาชานาญรู้สึกตัวนะบางทีเห็นทุกข์นะหลวงพ่อเคยเป็นชำนาญที่จะรู้สึกตัว มันเห็นสภาวะอนหนึ่งนะไหวยิบแยบยิบยบอยู่กลางหน้าอกเนี่ยยิบแยบยบแอยู่อย่าเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะทั้งหลับอยู่ก็ยังเห็นนะตื่นอยู่ก็เห็นหลับอยู่ก็เห็นนี่สติมันแรงกล้าถึงขนาดไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะตัวนี้จริงๆก็ไม่ถูกเหมือนกันนะต้องทําสมถะเพราะเวลาเจริญสติเจริญปัญญาก็ต้องมีเวลาเบรกเหมือนกันแต่ตอนที่สติมันทํางานอัตโนมัติขึ้นมานะมันไม่ยอมเบรกเลยเห็นอยู่งั้นนะทั้งวันเห็นอยู่งั้นทั้งคืนนะ ดูไปดูไปมันเหมือนเราดูหนังเรื่องเดียวหรือฟังเพลงเพลงเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฟังเพลงเดียวเดือนหนึ่งนะฟังทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักเลยกลุ่มนะทุกนะทุ่งจริงเห็นได้ไหวยิบยบยิบแย บ, ย บ, ยบเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยในใจก็บอกมานะโอ้ยเหนื่อยเต็มทีแล้วดูมาเดือนกว่าละข้าจาประคุณเอ้ยวันนี้เลิกดูสักวันเถอะหลงหลไปบ้างไป บอกมันนะไปหลงๆไปพยายามไปดูโน่นดูไปดูแวบเดี๋ยวกลับมาเห็นยิย้ยวิยิยวเองนะไม่ยอมนะนี่สตินะถ้าเราฝึกให้มากๆนะจะสั่งให้มันไม่รู้มันก็ไม่ได้นะมันรู้ของมันเองะส่วนของเราตอนนี้ยังฝึกกันถ้ายังฝึกไม่ดีนะมันเคยชินที่จะไม่รู้เคยชินที่จะหลงแต่ถ้าเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะต่อไปมันเคยชินที่จะรู้นะมันไม่ยอมไปทําอย่างอื่นเลยมันรู้สภาวะอย่างเดียวเลยเห็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์มันดีแล้ว แต่ว่ามันตัดไม่ได้ที่มันตัดไม่ได้เพราะสมาธิไม่พอนะสุดท้ายก็ต้องมาทําสมาธินะหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรอย่างเงี้ยหายใจจิตสงบจิตรวมจิตมีแรงนะพอจิตถอยออกจากสมาธิไปดูสภาวะยิบยับก็ขาดสะบั้นเลยเอนันนะี้ขาดสะบั้นได้งั้นสมาธิก็สําคัญจเจริญปัญญานี่ไม่ใช่จเจริญรวดเดียวทั้งวันทั้งคืนถึงเวลาก็ต้องเบรกบ้าง เหมือนขับรถนะขับไปทั้งวันทั้งคืนตายแน่ๆต้องมีการหยุดพักบ้างจอดนอนบ้างอะไรบ้างนะงั้นหัดดูสภาวะนะจนจิตมันมีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วมีเครื่องมือที่ใช้เบรกมันก็คือสมถะกรรมฐานนะจะช่วยให้เรามีแรงกับปรี้กระเป๋าขึ้นงั้นสิ่งที่เราฝึกนะั้นแรกฝึกให้เกิดสตินะอันที่สองจะฝึกสมาธิ เพรเครื่องมือที่หลวงพ่อบอกแล้วนะเครื่องมือสองอย่างที่จะทําให้เราเห็นความจริงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้อันแรกคือสติอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้นี่เป็นตัวรู้อันที่2ระหว่างที่รู้นะจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพวกนักปฏิบัติรุ่นหลังเนี่ยพลาดตรงนี้มากเลยไม่เฉพาะสายใดายสายหนึ่งนะท่าที่หลวงพ่อตะเวนดูมาเนี่ยพลาดตัวนี้เยอะเเราดูถูกสมาธิมากเกินไป เราดูถูกการเรียนเรื่องจิตใจตัวเองมากเกินไปทั้งๆที่บทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะบทเรียนที่1ชื่อว่าศีลสิกขาการเรียนเรื่องศีลบทเรียน ท, ที่2ชื่อจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตบทเรียนที่3ชื่อปัญญาสิกขาการเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมอยู่ๆเราก็โดดไปข้ามไปรู้รูปธรรมนามธรรมเลยนะด้วยมีสติไปตามรู้รูปธรรมนามธรรมเลยข้ามบทเรียนไปบทหนึงบทเรียนที่สําคัญมากนะ ถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วแล้วก็ปัญญาจะไม่เกิดอย่างแท้จริงนะปัญญาที่แท้จริงไม่มีหอกไม่มีทางเลยถ้าขาดสมาธิจะไม่มีปัญญานะงั้นท่านถึงบอกว่าปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิด อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีละสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะฉั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้เกิดสติด้วยการหัดดูสภาวะบ่อยๆจิตก็จําสภาวะแม่นแล้วสติเกิดต่อมาเราก็มาฝึกให้จิตมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่รู้อารมณ์นะจิตจะไม่ถลําลงไปในอารมณ์ ยกตัวอย่างเวลารู้ลมหายใจพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายเวลารู้ลมหายใจนะจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูดท้องผ่องยบนะั้นจิตจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมนะั้นจิตไหลไปอยู่ที่เทา้าอะไรเงี้ยเนี่ยจิตไหลไปนะจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะมีสภาวะคล้ายๆเราอยู่บนตึกริมถนนนะมองลงมาที่ถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะเดี๋ยวซาเลง้งวิ่งมาเดี๋ยวรถเมยม์วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปเราอยู่บนตึก เราไม่โดดลงไปกลางถนนหรือเหมือนเราดูฟุตบอลเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราอยู่บนอัธจันร์เราไม่โดดลงไปกลางสนามหรือเหมือนเรายืนอยู่ริมตะลิงเห็นของต่างๆลอยในน้ํามานะของดีลอยมาบ้างหมาเน่าลอยมาบ้างนะตัวนโน้นลอยมาตัวนี้ลอยมาเรือลอยมาบ้างลอยมาแล้วลอยไปเราอยู่บนบกเราไม่ตกน้ำเนี่ยจิตที่มีสมาธินะคือจิตที่ไม่ตกน้ําจิตที่ไม่ตกลงไปอยู่บนถนนจิตที่ไม่ตกลงไปในสนามฟุตบอล นะในขณะดูบอลดูห่างๆจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่กระโจนลงไปในสนามฟุตบอล น, นะในขณะที่เห็นถนนนะเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนจิตไม่โดดลงไปกลางถนนจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูเราหัดดูอย่างนี้นะแล้มีสติรู้สภาวะนะจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันจะเห็นทันทีเลยสภาวะทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาจะเกิดทันทีเพราะอะไรเพราะมีสมาธิแล้วมีสมาธิต้องมีปัญญานะ ถ้ามีสมาธิก็มีปัญญาถ้าขาดสมาธิใจไม่ตั้งมั่นใจจะไหลไม่มีปัญญายกตัวอย่างอย่างเราอยู่ริมน้ําเราเห็นอะไรลอยน้ํามาเห็นดอกไม้ลอยน้ํามาแหมดอกไม้นี้สวยชะงโงกลงไปดูตัวเราตกน้ำํำพอเราตกน้ําเราจะลอยตามน้ําไปนะด้วยความเร็วเท่าๆกับดอกไม้ไปคู่กันอย่างนีน้ไม่มีเกิดดับให้ดูแล้วนะดอกไม้เที่ยงอยู่ต่อหน้านีาน้นะงั้นถ้าจิตถลำลงไปเพ่งนะจิตจะเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะ จะรู้สึกว่าเที่ยงอยู่อย่างนั้นเองนะจะไม่เห็นไตรักษ์แต่ถ้าเราอยู่ห่างๆเห็นไทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปใจเป็นแค่คนดูนะทำยังไงเราจะฝึกให้ใจเป็นแค่คนดูได้นะวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยให้มีสตินะเราเคยฝึกสติมาแล้วเอาสตินะมาคอยรู้ทันจิตตัวเองถ้าจิตเราไหลไปดูรู้ว่าทันว่าไหลไปดูจิตไหลไปฟังรู้ว่าไหลไปฟังจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิด ถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตเชื่จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความฟุง้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะไม่ฟุง้งซ่านจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเกิดร่วมกับสติไม่ได้ังนั้นวิธีนะพวกเราวิธีฝึกง่ายๆเลยทากรรมฐานเข้าสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต ยกตัวอย่างเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนี่หัดรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดรู้ทันหรือรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือจิตไหลไปคิดรู้ทันนะจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งทีละขณะขณะ น, นะเรียกว่าคณิกะสมาธิจะไม่ทรงตัวนานเหมือนพวกอัปปนาสมาธิ ถ้าคนไหนมีบารมีมากฝึกให้ได้อัปณานะออกจากอัปณามาแล้วเนี่ยตัวรู้จะตั้งอยู่เป็นวันๆเลยนะหลวงพ่อเคยฝึกสมาธิ22่สิบนปะีแล้วก็พอเรารู้ว่าต้องมีตัวรู้นะตัวรู้ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่ได้2ปีตั้งอยู่ได้สองปีแล้วก็ตั้งไม่ไหวอีกต่อไป้สมาธิ2ี่ปีนะสิปี11ปีนะใช้งานได้ปีเดียวนะไม่พอแล้วต้องทำสมาธิอีก ้ถ้าเราทำสมาธิไม่ได้นะเราให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะรู้ทันจิตที่ไหลไปได้ดีต้องมีอารมณ์กรรมฐานอันนึงมาเป็นเครื่องสังเกตอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้เช่นดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันถ้าเมื่อไหร่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งได้แวบเดียวนะไม่ตั้งนานหรอก แต่ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะจนชํานาญจิตมันจําสภาวะแห่งความตั้งมั่นได้มันจะตั้งขึ้นมามันมีความสุขทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตตื่นขึ้นมาทันทีที่จิตตื่นจิตมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้มีสมัตนะิเพะนั้นใจเราจะเคล้าเคลีย์ที่จะรู้สึกตัวนะมันรู้สึกแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็รู้สึกบ่อยสิทุกวันนี้ที่หลงลเรารู้สึกว่าหลงบ่อยเพราะอะไรเราคิดว่าหลงแล้วมีความสุขนะ ต่อไปผันรู้สึกตัวนะ้ำจะมีความสุขโชยแผ่วขึ้นมาเรื่อยใจเราจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเรคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแลว้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธินะถัดจากนั้นเดินปัญญาอะไรเกิดขึ้นในกายสติรู้ ในระหว่างที่รู้รู้ด้วยจิตที่เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็สติเป็นคนรู้ระหว่างรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นบางทีหลวงพ่อเคยสอนพวกเรานบอกให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางความจริงถ้าพูดย่อๆนะก็คือถ้าจะรู้ตามความเป็นจริงได้นั้นต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ให้มีสติรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมานะงั้นเราเย่าละเลยหลักการที่สอนอันนี้นะแล้วจะเอาไปใช้กับกรรมฐานอะไรไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเลยใช้ได้หมดเลยนะกรรมฐานเก่าๆที่เราเคยฝึกนะถ้าเราฝึกมาเราเห็นสภาวะรมทํางานไปด้วยสติใจเราเป็นคนดูจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเลยนะจะเห็นอัตโนมัติเลยอาชเชิญไปทานข้าวนะ